บทที่เจ็ดเมืองในโลกทิพย์ดูเหมือนไม่มีใครรีบร้อนไปไหนกันเลยนะครับโรเยอร์กล่าวขึ้นเมื่อเรามาเดินอยู่ในตัวเมืองได้สักพักหนึ่งแล้วแน่ละไม่มีใครเขารีบร้อนไปไหนกันดอกแต่เธอจะให้เขารีบร้อนไปไหนทําไมจริงแหละผมเองก็ลืมไปอันที่จริงถ้ามีเรื่องจำเป็นต้องรีบร้อน เราก็สามารถไปถึงที่หมายของเราได้ในช่วงพริบตาแต่เมื่อไม่มีเหตุที่จะต้องรีบร้อนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีบเดินไปไหนมาไหนเหมือนอย่างในโลกมนุษย์ขณะนี้เราเดินมาถึงเนินดินสูงในตัวเมืองซึ่งทำให้โรเยอร์สามารถเห็นภูมิประเทศโดยรอบได้อย่างชัดเจนจากที่ที่เรายือนอยู่เราสามารถมองเห็นอาคารอันโมโหรานหลายหลัง แต่ลหลังก็มีสวนล้อมรอบและในสวนก็มีเทะเลสาบเทียม น, น้อยๆแซมอยู่เป็นแห่งๆทั้งหมดนี้ตั้งเรียงรายเป็นแนวล้อมรอบอาคารหลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางแลดูเสมือนสี่ล้อรถแผ่ออกไปจากดุมล้อฉะนั้นโรเยอร์กล่าวว่าไม่เห็นมีถนนอย่างเช่นในโลกมนุษย์เลยที่ทางเดินตามระหว่างอาคารต่างๆนั้น ผู้ล่า ด, ด้วยหญ้าเขียวขจีอยู่ทั่วไปบนหลังคายอดโกลมหรือโดมของอาคารหลังใหญ่กลางตัวเมืองโรเยอร์สังเกตเห็นลำแสงสุกสว่างสีน้ำเงินพุ่งลงมาปกคลุมไว้โดยรอบจึงถามว่าเป็นอะไรอาคารหลังใหญ่นั้นเป็นสถานที่ที่เราประชุมกันให้โอกาสพิเศษบางคราวในเมื่อมีท่านผู้อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปลงมาเยี่ยมเยียนเรา ความจริงมันไม่ใช่วัดหรือโบสถ์ดอกเพราะไม่ได้เป็นสถานที่ที่ทําไว้เพื่อให้มีการบูชาหรือสวดมนต์กันเหมือนดังในโลกมนุษย์เราไม่ได้ทําพิธีทางาศาสนากันที่นั่นการประชุมของเราในที่นี้ตามปกติไม่ได้กินเวลานานา น, นักโดยมากก็ชั่วพักเดียวเท่านั้นแต่ตามปกติเราจะนั่งรอกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ท่านผู้ใหญ่จะเข้ามา ไละหลังจากท่านไปแล้วเราก็นั่งสงบใจอยู่ในที่นั้นต่อไปอีกพักหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าการประชุมของเราจะเป็นไปในระยะไม่นานนักก็ตามเราก็ได้กระทากิจที่สำคัญครบทุกอย่างตามความประสมของการประชุมนั้นๆทั้งนี้เพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในเรื่องพิธีการจุกจิกที่หาสาระไม่ได้ ลำแสงอันสุกสว่างสีน้ำเงินที่เธอเห็นนั้นจะปรากฏอยู่เช่นนั้นตลอดกาลโดยไม่มีวันดับหรือจางหายไปผมว่าลำแสงนั้นคงมีกำลังสุกสว่างมากทีเดียวเราจึงสามารถมองเห็นได้ถนัดแม้ในเวลากลางวันที่มีแสงจ้าเช่นนี้โรเยอร์กล่าวขึ้นเรื่องความแรงกล้าของแสงนั้นไม่ต้องพูดถึงละ เพราะถ้าเธอคิดถึงที่มาหรือต้นกำเนิดของแสงแล้วก็จะไม่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดแต่อย่างใดลำแสงนั้นมาจากต้นเขาที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของสิ่งทั้งปวงแต่แม้กระนั้นก็แลดูไม่บาดในตาเลยเธอสังเกตเห็นไหมเมื่อตอนที่เธอคิดว่าจะมาชมตัวเมืองนั้นเธอคงไม่ได้คิดว่าจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ดอกนะโรเยอร์รูดเอ่อยขึ้น แต่ผมเองก็นึกไปไม่ถึงดอกครับว่าเมืองที่นี่ควรจะเป็นเช่นไรที่นึกๆึกผมคาดว่าคงจะเหมือนเมืองในโลกมนุษย์บ้างไม่มากก็น้อยที่ไม่เหมือนเมืองในโลกมนุษย์ก็คือชีวิตของเราที่นี่เป็นไปอย่างเรียบง่ายและสะดวกเหลือเกินเมื่อเทียบกับความเป็นไปของชาวโลกมนุษย์ลองนึกดูก็ได้โรเยอร์ ถึงสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องมีต้องใช้เลยในที่นี้ลองนึกดูเล่นๆไปเรื่อยๆทีละอย่างสองอย่างฉันคิดว่าในไม่ช้ารายการสิ่งของที่เราไม่จำเป็นต้องมีต้องใช้นั้นน่ากลัวจะบรรจุลงในแคตตาล็อกได้เล่มโตๆทีเดียวเริ่มต้นเราลองคิดถึงเรื่องภายในบ้านกันก่อนก็ได้ตัวอย่างข้อแรกก็คืออาหาร เนื่องจากเราไม่จำเป็นต้องกินอาหารดังนั้นอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารเช่นการกินและการดื่มก็ดีหรือวิธีการเก็บรักษาถนอมและปรุงอาหารก็ดีจึงเป็นอันว่าหมดความหมายไปโดยสิ้นเชิงประการที่สองเสื้อผ้าก็เกิดมีขึ้นแกเราโดยธรรมชาติดังนั้นก็เป็นอันว่า อุตสาหกรรมในเรื่องการทอผ้าแพรพันต่างๆก็หมดความจำเป็นลงอีกอ้อแล้วก็เรื่องวิธีการขนส่งอีกอย่างหนึ่งด้วยครับโรยร์กล่าวเสริมขึ้นใช่หมดไปสามอย่างแล้วนะเป็นชนิดที่สำคัญเสียด้วยต่อไปก็ประการที่4ก็ลองคิดถึงการงานเช่นการค้าขายและอาชีพต่างๆที่ไม่มีอยู่ในโลกนี้เลย ผมนึกได้อย่างหนึ่งแล้วล่ะครับโรเยอร์พูดพร้อมกับหัวเราะสัปเปอร์เรอเป็นข้อแรกทีเดียวนักการเมืองด้วยรุดกล่าวเสริมให้แต่สัปเปอร์เรอหรือนักการเมืองก็มีงานอื่นทำเหมือนกันนะเข้าไปเจ้ากล่าวแยง้งและเป็นงานที่มีประโยชน์มากกว่าเดิมซะด้วยอีกอย่างหนึ่งเธอสังเกตรหรือเปล่าโรเยอร์รุดถามขึ้นที่นี่เราไม่มีร้านค้าขายเลย เพราะเราไม่ต้องทำการขายของอะไรให้แก่กันแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีความต้องการอยากจะได้ของบางอย่างละครับโรเยอร์ชักสงสยัยแล้วจะทำอย่างไรดีก็ของอะไรละ่ะเอโรเยอร์คิดอยู่พักหนึ่งจริงแหละครับคิดไปคิดมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะต้องการอะไรดูดูก็แปลกดีเหมือนกันพูดจบเขาก็หวัวเราะ รุทและขปเจ้าเลยโหเราะขึ้นบ้างพร้อมกันคิดคิดดูจะว่าแปลกก็แปลกนะโพลยเยอร์คือรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่อยู่ก็เป็นเสื้อผ้าที่ติดตัวมากับเธอและในที่นี้เมื่อใครเขาเห็นเข้าก็รู้กันว่าเธอเป็นผู้เพิ่งมาถึงใหม่ๆแต่อันที่จริง ถ้าเธออยากจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่คือให้เป็นเสื้อผ้าประจำโลกทิพนี่เลยก็ได้และเราทั้งสองก็จะได้เปลี่ยนตามไปด้วยดีไหมโรเยอร์แต่ถ้าไม่มีร้านขายเสื้อผ้าเลยแล้วเราจะเปลี่ยนกันอย่างไรแล้วครับไม่ยากดอกโรเยอร์เป็นอันว่าเธอตกลงเปลี่ยนเสื้อผ้าของเธอแน่นะแน่ทีเดียวครับก็เปลี่ยนได้เลยโรเยอร์ นั่นน่ะสิครับจะเปลี่ยนได้อย่างไรดีเอเรื่องที่ว่าจะเปลี่ยนได้อย่างไรนี้ฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเธอมัวไปมองดูวิวภายนอกตัวเองเสียจึงไม่รู้ตัวลองมองดูที่ตัวของเธอเองเดี๋ยวนี้สิโรเยอร์โรเยอรยอ์ก้มลงมองดูตัวเองและแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้เห็นเสื้อผ้าชุดเดิมของเขาหายไปเสแล้ว และกลับมีเสื้อผ้าชุดโลกทิพย์สีสดใสปลากฏอยู่แทนที่และเป็นเสื้อผ้าชุดที่เข้ากันได้กับสภาวะที่เขาควรมีในปัจจุบันเป็นอย่างดีรูดและขพะเจ้าก็ทำเช่นเดียวกันนั้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่โรเยอร์ได้เห็นเราทั้งสองในชุดเสื้อผ้าประจำภูมิของเราโดยเฉพาะเป็นไงโรเยอร์ทีนี้เธอคงเห็นแล้วลาินนาว่า ถ้าเราทั้งสองไปปรากฏภายในห้องนอนของเธอแบบนี้แล้วก็น่ากลัวเธอจะต้องตกใจสิ้นสติไปอีกครั้งหนึ่งแน่ทีเดียวก็น่ากลัวจริงครับโรเยอร์ตอบพลางรูปคลาเสื้อผ้าชุดใหม่ของเขาอยู่ไปมาดูดูผ้านี้คล้ายๆกับจะไม่ได้ทาด้วยมือนะครับเปล่าดอกโรเยอร์เสื้อผ้าเหล่านี้ไม่ได้ทาด้วยมือแน่ แต่ถ้าเธอจะถามต่อไปว่าทำด้วยอะไรฉันและรู้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันในที่นี้มีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องรับเอาไว้ก่อนโดยยังไม่จําเป็นต้องคิดหาเหตุผลเธอลองคิดดูเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์ก็แล้วกันโรเยอร์มีหลายต่อหลายอย่างที่เราหาเหตุผลไม่ได้แล้วเราก็จําต้องรับรู้ไว้เช่นนั้นไปพลางๆก่อน เพราะบางสิ่งบางอย่างนั้นถึงแม้เราจะรู้เหตุผลไปก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแก่ชีวิตของเราเลยความจริงเรื่องเสื้อผ้านั้นในโลกทิพก็มีอยู่แผนกหนึ่งโดยเฉพาะเหมือนกันเธอเห็นตึกใหญ่ทั้งขวามือนั้นไหมนั่นแหละเป็นอาคารสําหรับกรรมการฝ่ายเสื้อผ้าโดยเฉพาะภายในอาคารนั้นเธอจะเห็นผ้าผ่อนแพรพันน า, นาชนิด ทั้งที่เธอได้เคยเห็นมาแล้วในโลกมนุษย์และที่มีอยู่เฉพาะในโลกทิพย์นี้เท่านั้นเธอสังเกตเห็นผ้าม่านมีดอกในเนื้อที่แขวนอยู่ที่ฝาผนังห้องของบ้านของเราไห้นั่นแหละรูดเป็นผู้ทาขึ้นเองในอาคารหลังนั้นรูดเป็นนักเรียนฝึกหัดมาจากที่นั่นและบัดนี้เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งแล้วไม่แปลกอะไรหรอกโรเยอร์รูดกล่าวขึ้น เธอเองก็จะทำได้ถ้าเธอคิดว่าอยากจะลองเรียนดูบ้างเรามีครูผู้เชี่ยวชาญยินดีจะสอนให้เธอเสมอแต่อาคารหลังนี้ไม่ได้ถอผ้าเป็นชุดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันอยู่นี้ดอกโรเยอร์ข้าพเจ้ากล่าวมองดูอาคารหลังนี้แล้วผมรู้สึกว่าตัวเองโง่งมากทีเดียวครับโรเยอร์ปรับทุกไม่ใช่เช่นนั้นดอกโรเยอร์ เราต่างคนต่างก็ไม่ได้มีใครมีความรู้ติดตัวมาแต่เดิมเราต้องมาเรียนกันภายหลังทั้งนั้นอันที่จริงรูทและฉันก็เคยคิดเช่นนั้นมาแล้วเหมือนกันเมื่อตอนที่ไปยืนอยู่หน้าตู้หนังสือนับจำนวนไม่ถ้วนในห้องสมุดดังนั้นถ้าจะว่าไปเราทั้งสามก็คงจะโงพ่พอๆกันนั่นแหละอาคารเรียนเหล่านี้เป็นอาคารสำหรับศึกษาในฝ่ายศิลปะ เช่นการเขียนภาพการดนตรีและวรรณคดีประวัติศาสตร์พวกเราเอาใจใส่ระรักษณ์ศิลปะเหล่านี้ยิ่งกว่าชาวโลกมนุษย์มากเพราะที่นี่เราถือกันว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทีเดียวซึ่งไม่เหมือนกับชาวโลกมนุษย์ที่ถือว่าศิลปะเป็นเพียงส่วนประกอบที่ฟุ่มเฟือยส่วนหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นเราจะมีความรู้ประเภทนี้กว้างขวางมาก อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่เราตัดสินคุณค่าของศิลปะ ก, กันอย่างยุติธรรมจริงๆรับรองว่าจะไม่มีงานศิลปะจอมปลอมหลุดเข้ามาได้เลยทุกๆคนที่เข้ามาในที่นี้จะต้องถอดหน้ากา ก, ากออกให้หมดสมมติว่าผมต้องการสมัครเป็นสมาชิกหรือว่าต้องการร่วมศึกษาด้วยจะต้องทำอย่างไรบ้างครับโรเยอร์ถามขึ้น ก็เดินเข้าประตูไปเท่านั้นเองต่อจากนั้นเธอก็จะได้รับคำแนะนำทุกอย่างตามที่ต้องการทุกคนยินดีสอนให้เธออย่างเต็มใจทั้งสิน้นรับรองว่าในที่นี้ไม่มีพิธีรีตองยุ่งยากเหมือนในโลกมนุษย์เลยรูธเองก็ทำเช่นนั้นมาแล้วฉันรับรองด้วยอีกคนโรเยอร์รูธกล่าวครูผู้สอนที่นั่นใจดีทุกคน ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนปัญญาทถืกหรือแก่งกล้างอย่างไรก็ตามท่านมองซินเยอร์ก็เคยจมอยู่กับหนังสือนับเป็นจำนวนล้านๆในห้องสมุดมาแล้วในห้องสมุดนี้มีวิชาทุกสาขาที่เธอจะเลือกเรียนได้ตามใจชอบว่างๆลองเปิดดูสารานุกรมหรือเอนไซคลพีเดียดูบ้างสิมีรูปภาพเต็มไปหมดเป็นหนังสือที่น่าอ่านอย่างยิ่ง ฉันอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าเธอตามหาท่านมองซินเยอที่ไหนไม่พบแล้วก็ให้ไปตามที่ห้องสมุเดเถิดเป็นต้องพบแน่ฉันว่าเราเข้าไปดูอาคารเหล่านี้โดยใกล้ชิดกันเถอะข้าพเจ้าชวนเราเข้าไปได้เสมอหรือครับโรเยอร์ถามอย่างเกรงเกรงรับรองได้ทุกเวลาเลยโรเยอร์แล้วก็ไม่ต้องรอขออนุญาตใครเลยด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือ อาคารที่นี่ไม่มีวันปิดหรือเวลาเปิดเขาเปิดกันทั้งวันและทุกวันหรืออันที่จริงก็คือเปิดตลอดการนั่นเองเพราะที่นี่เราไม่มีเวลากลางคืนเหมือนในโลกมนุษย์แล้วเจ้าหน้าที่คนเก่าก็อยู่ประจากันตลอดเวลาเหมือนกันหรือครับไม่ใช่ดอกโรเยอร์ถึงแม้ว่างานที่นี่จะไม่มีวันหยุดหรือเวลาหยุดเลยก็ตาม แต่ผู้ที่ทํางานก็มีการสับเปลี่ยนตัวกันได้เป็นครั้งคราวเราไม่มีเวลากลางวันกลางคืนเป็นเครื่องหมายนับโงยามกันก็จริงแต่เราก็มีการแบ่งงานกันยังเป็นที่พอใจกันทุกฝ่ายในข้อนี้ฉันขอรับรองได้เมื่อเข้าไปข้างในโปรเยอร์ได้กล่าวว่าอาคารหลังนี้ไม่ค่อยสูงเท่าใดนักก็เป็นธรรมดาเช่นนั้นเองเข้าพเจ้าตอบ เพราะที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินแพงหรือเรื่องความแออัดยัดเยียดเช่นในโลกมนุษย์จึงไม่จําเป็นต้องก่อสร้างซ้อนกันให้สูงขึ้นไปเช่นนั้นโรเยอร์ได้แสดงความยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างมากในเมื่อได้เห็นการประดับประดาตกแต่งสถานที่ทุกขนทุกแห่งมีแต่สวนดอกไม้ถนนหนทางอันปูราดด้วยหญ้าอันอ่อนนุ่มและเขียวขจี และสระน้ำอันใสสะอาดที่สะท้อนภาพของอาคารและต้นไม้ต่างๆทำให้เป็นภาพที่แลดูไม่มีวันเบื่อเลยนี่แหละเธอนึกแปลกใจไหมที่ทั้งๆ ท, ที่โลกของเราสวยสดงดงามและมีระเบียบเช่นนี้ก็ยังไม่ไวายถูกข้อนแคและเยื่อหยันจากพวกมนุษย์ที่งมงายอยู่ร่ำไปเธอลองเปรียบเทียบทิวทัศน์ของโลกเรากับของโลกมนุษย์ ที่ว่าสวยงามทั้งหลายดูทีหรือว่ามีทางเท่าเทียมกันได้ไหมแม้อย่างนั้นชาวโลกมนุษย์พุ่งงมงายก็ยังถือว่าโลกของเขาโลกเดียวเท่านั้นที่เป็นโลกจริงๆและการที่จะตัดสินคุณค่าของสิ่งใดๆก็ต้องถือเอามาจากมาตรฐานของโลกของเขาเท่านั้นเป็นหลักเมืองของชาวโลกมนุษย์เต็มไปด้วยฝุ่นละออง และเท่าควันอันทำให้เกิดความสกปลกและโอบอ้าวเพียงใดเธอก็คงรู้อยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นจะมีทางเปรียบเทียบกับที่นี่ได้บ้างไหมเราได้พาโรเยอร์เดินชมอาคารต่างๆรอบนอกผ่านมาหลายหลังและในที่สุดโรเยอร์ก็แสดงความปรารถนาว่าใครจะเข้าไปในอาคารอันเป็นตึกวิศวกรรมซึ่งมีแผนการวิจัยทางเคมีรวมอยู่ด้วย เราได้พาเขาเข้าไปข้างในและก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตึกหลังนี้ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมนาน า, นานประการเป็นอย่างไรครับท่านมองซินเยอร์และคุณรูทท่านเอ่ยทักขึ้น้วยความดีใจไม่ได้พบกันเซนานวันนี้มีธุระอะไรด้วยหรือเปล่าครับข้าพระเจ้าได้บอกความประสงค์ของเราให้เขาฟัง และได้แนะนำให้โรเยอร์รู้จักกับท่านเย็นดีทีเดียวพ่อหลานชายติดขัดตรงไหนหรืออยากรู้เรื่องอะไรถามได้เลยข้าพระเจ้าใคร่ขอกล่าวแทรกไว้ในที่นี้สักเล็กน้อยว่าในบรรดาอาคารทั้งหลายนั้นดูเหมือนหลังนี้เองที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยใกล้ชิดที่สุดเพราะอันที่จริงวิชาการทางวิศวกรรมและทางเคมี ที่มีการค้นพบของใหม่ๆกันในโลกมนุษย์นั้นก็มีต้นกำเนิดมาจากที่นี่เองมีวัตถุหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคิดประดิษฐ์กันขึ้นที่นี่ก่อนเสร็จแล้วเราก็ส่งคือถ่ายทอดความคิดไปให้แก่ชาวโลกมนุษย์เพื่อให้นำไปประดิษฐ์ใช้กันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์โดยส่วนรวมต่อไปเราเดินเที่ยวสารวจไปตามห้องต่างๆ ก็ได้เห็นบรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้ช่วยกําลังทดลองผสมวัตถุต่างๆด้วยสูตรต่างๆกันเพื่อประกอบกันให้เป็นวัตถุใหม่ๆขึ้นมาท่านนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้แสดงให้เห็นว่าท่านได้ผสมส่วนของวัตถุต่างๆที่เป็นของโลกมนุษย์โดยเฉพาะจริงๆทั้งนี้เพราะการค้นคว้าดังกล่าวเป็นการกระทําเพื่อโลกมนุษย์จึงไม่มีประโยชน์อย่างไร ที่จะใช้วัตถุซึ่งมีอยู่เฉพาะในโลกทิพย์เท่านั้นเพราะสารวัตถุเหล่านั้นจะนำไปใช้ประโยชน์ในโลกมนุษย์ไม่ได้เลยดังนั้นสารวัตถุต่างๆจึงเป็นวัตถุจำลองหรือ Count อพาร์ตซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับตัววัตถุจริงๆในโลกมนุษย์นั่นเองท่านเจ้าหน้าที่ผู้พาเราชมกิจการได้บอกว่าความจริง ในเรื่องการค้นคว้าดังที่ทำอยู่เช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องบอกให้มนุษย์รู้รายละเอียดหมดทุกประการก็ได้ข้อสำคัญก็คือหาวิธีนะให้เขาได้รู้แนวทางอย่างกว้างขวางก็เป็นการเพียงพอเพราะเมื่อนักวิทยาศาสตร์ในโลกมนุษย์รู้แนวทางและจับหลักได้แล้วที่เหลือนอกนั้นเขาก็ดาเนินการต่อไปกันเองได้เป็นอย่างดี ในด้านวิศวกรรมก่อสร้างก็เช่นเดียวกันเรามีการค้นคว้าหาสารวัตถุอย่างใหม่ๆที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอกิจการแผนแดกนี้ได้มีการค้นคว้าและวิจัยรวมไปถึงวัตถุที่จะนำมาใช้เป็นผ้าผ่อนแพรพันสำหรับนุ่งห่มและสำหรับในกรณีอื่นๆเช่นใช้บูกเก้าอี้ในห้องต่างๆอีกด้วย ในด้านการวิศวกรรมเครื่องกลเรา็ทําทำการค้นคว้าและทดลองกันอยู่เป็นประจำเหมือนกันเพื่อที่จะหาวิธีให้ได้มีการขนส่งและการเดินทางที่จะสะดวกสบายปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นและในเรื่องนี้ได้ค้นคว้ากันตั้งแต่เครื่องยนต์ง่ายๆที่ใช้กันสาหรับส่วนตัวและในวงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทีเดียวชีวิตในโลกมนุษย์ กำลังจะเพิ่มความสลับซับซ้อนสับสนและยุ่งยากมากขึ้นทุกทีชาวโลกมนุษย์ส่วนมากพอใจในการแสวงหาความสำราญทางวัตถุกันไปหมดแทนที่จะนึกคิดถึงในความสงบสุขของจิตใจบ้างวิธีที่ชาวโลกมนุษย์สามารถมีความสุขมากขึ้นก็คือต้องหัดทำตัวและชีวิตให้ง่ายง่าซะบ้างเราชาวโลกทิพย มีเรื่องที่ต้องการจะตักเตือนมนุษย์อยู่เป็นอันมากในแนวนี้แต่ชาวโลกมนุษย์ก็จะต้องปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับแนวทางที่ถูกต้องด้วยตนเองข้อสําคัญที่สุดก็คือชาวโลกมนุษย์จะต้องหาทางไม่ให้สงครามเกิดขึ้นเป็นอันขาดเขาจะต้องไม่ฝ่ายสงครามไม่บิดเบือนความรู้ความสามารถซึ่งเราถ่ายทอดไปให้น้นเพื่อทาลายล้างกันและกัน ถ้าเขาทําไม่ได้เขาก็จะต้องประสบความพินาศเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องเลือกทางเดินเอาเองบทที่แปไปเยี่ยมโบสเราออกจากเมืองมาแล้วและกําลังเดินมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งก็พอดีโรเยอร์ชี้มือไปที่ตึกหลังหนึ่งและกล่าวขึ้นว่าเอ๊ะนั่นดูเหมือนจะเป็นโบสนะครับ จะว่าใช่ก็ได้รู้ตอบหรือจะว่าไม่ใช่ก็ได้เราลองเข้าไปดูกันสักหน่อยไหมเข้าไปเจ้ากล่าวชวนแล้วเราก็พากันเดินเข้าไปใกล้โบวถหลังนี้เมื่อดูภายนอกก็จะลายเห็นมีลักษณะคล้ายกับบสถธรรมดาตามชนบทนั่นเองถ้าจะแตกต่างกันก็คงจะเป็นในเรื่องอายุเท่านั้นโบวถหลังนี้ถึงแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นแบบเก่าก็ตาม แต่ก็ไม่ได้แสดงว่าได้ถูกแดดลมหรือฝนกัดทำลายให้สึกหรอไปดังเช่นในโลกมนุษย์และถึงแม้ว่าบางครั้งจะดูคล้ายๆกับว่าได้สร้างขึ้นเมื่อวานนี้เองก็ตามแต่ความจริงแล้วอาจมีอายุตั้งหลายร้อยปีก็ได้และบดหลังที่เรากำลังจะเข้าไปชมนี้ก็เช่นเดียวกันโดยไม่มีข้อยกเว้นในโลกมนุษย์อาจมีหลักอยู่ว่า ไม่มีกฎข้อใดที่ไม่มีข้อยกเว้นแต่สำหรับในโลกทิพย์อาจยิ่งมองไม่เห็นว่าจะต้องมีข้อยกเว้นของกฎนี้โบทหลังนี้มีลักษณะแปลกหลายประการที่ไม่เหมือนกันกันกบในโลกมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเราเข้าไปใกล้ข้าพเจ้าจึงบอกให้เขาลองสังเกตดูว่ามีอะไรผิดแปลกตาบ้างหรือเปล่าโรเยอร์เป็นคนช่างสังเกตเหมือนกัน และชั่วครู่หนึ่งเขาก็บอกได้ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมภายนอกซึ่งไม่เหมือนโบสในโลกมนุษย์เลยดีทีเดียวโรเยอร์ข้าพรเจ้ากล่าวชมเธอเพิ่งมาจากโลกมนุษย์ใหม่ๆยังไม่ลืมของเก่าเสียทีเดียวจึงสามารถเปรียบเทียบของใหม่กับของเก่าได้ดีโบส ท, ที่เธอเห็นอยู่นี้เป็นโบส ท, ที่มีความงามอย่างเรียบ ดังเช่นที่โบสถ์ในโลกมนุษย์ควรจะเป็นและกินเนื้อที่ไม่มากนักบริเวณโดยรอบแม้จะมีที่กว้างขวางแต่เราก็ปล่อยไว้ว่างๆเช่นนี้เสพเป็นส่วนใหญ่ไว้ให้ดูคล้ายโบสถ์ในโลกมนุษย์เมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็เห็นกำแพงอิดเตี้ยๆสร้างไว้เป็นแนวเลี้ยวมาโดยรอบบริเวณนั้นนี่ก็เป็นการเรียนแบบในโลกมนุษย์เช่นเดียวกัน คือแสดงให้เห็นอนาเขตพอเป็นพิธีเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอย่างใดเลยเราเดินตรงเข้าไปที่ประตูรัว้วและผ่านเข้าไปตามทางที่ปูลาดด้วยวัตถุสีดาคล้ายๆกับยางอสฟเช่นนั้นลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการทำให้เหมือนกันกบโลกมนุษย์ก็คือดอกไม้เนื่องจากดอกไม้ที่นี่บานสะพรั่งอยู่ได้ตลอดกาล โดยไม่มีวันเหี่ยวแห้งหรือโรยราเราจึงต้องทำแปลงดอกไม้ต่างๆกันให้มีลักษณะต่างออกไปบ้างเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงฤดูหนาวและฤดูร้อนในโลกมนุษย์ดังนั้นแปลงดอกไม้บางแปลงเราจึงปล่อยให้ว่างไว้บ้างเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงฤดูหนาวอันร้ายแรงรัธารุณในโลกมนุษย์โรเยอร์สังเกตได้ทันทีว่า โดยรอบบริเวณของโบทหลังนี้ไม่มีป่าชาที่ฝังศพเลยและก็ไม่มีกระดาษป้ายปิดประกาศเรื่องเทศไวไปด้วยรูทบอกเธอไว้แล้วโรเยอร์ er, ว่าบส ท, ที่นี่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกับโบสถ์ในโลกมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกความจริงตึกหลังนี้เรียกว่าโบสถ์ก็เพราะรูปร่างภายนอกเท่านั้นเองโดยที่แท้แล้ว ตึกหลังนี้ไม่ใช่ที่สาหรับการบูชาหรือทาพิธีต่างๆเลยแต่เรื่องที่ทำหรือประชุมกันในที่นี้ก็มีประจำมากกว่าที่ทำกันอยู่ในโบสถ์ของโลกมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเราเข้าไปข้างในก็ปรากฏว่าไม่มีคนอยู่เลยเครื่องประดับประดาตกแต่งภายในนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วก็ยิ่งเห็นว่าตึกหลังนี้ไม่น่าจะเรียกว่าโบสถ์เลย สิ่งที่ขาดไปอย่างเห็นได้ชัดก็คืออ่างน้ำวนสำหรับรับศีลธรร ม, มาติและที่สาคัญที่สุดก็คือแท่นบูชาซึ่งไม่มีปรากฏอยู่เลยเหมือนกันที่เหมือนกันก็คือเก้าอี้นั่งสำหรับพระซึ่งจัดวางรดหลานไว้เป็นชั้นๆตั้งแต่ต่ำที่สุดไปจนถึงสูงที่สุดชั้นบนที่สุดเป็นเก้าอี้สวยงามจานวนหนึ่ง ตั้งอยู่ภายในเนื้อที่กว้างซึ่งทําไว้เป็นพิเศษเก้าอี้ตัวกลางรู้สึกว่าจังงดงามกว่าตัวอื่นเล็กน้อยเนื้อขึ้นไปเป็นหน้าต่างรูปโค้งประดับด้วยกระจกสีดูงดงามมากแต่แทนที่กระจกเหล่านี้จะมีรูปวาดเป็นรูปเกี่ยวกับศาสนาดังที่เราเคยเห็นอยู่กลับเป็นรูปทิวทัศน์ของชนบท ดังเช่นที่เราเห็นอยู่บรร้ามา่านประดับกำแพงโดยมากที่บนฝาผ น, นังเหนือกระจกขึ้นไปมีอักษราจารึกทำด้วยกระจกสีฝังภายในกำแพงสวยงามมากอักษราจารึกนั้นเป็นคำภาษาลาตินสองแถวแปลความว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้เป็นเจ้าในสูงสวรรค์ผู้สูงสุด และขอสันติสุขจงมีแก่ผู้ที่มีความปรารถนาดีทั้งหลายในโลกมนุษย์โดยทั่วกันโรเยอร์รู้สึกสะดุดตามากเมื่อได้อ่านอักขระนี้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าเอ๊ะทำไมจึงมีแสงสองลำพุ่งลงมาที่อักขระสองแถวนั้นด้วยล่ะครับลำแสงนั้นไม่ได้พุ่งลงมาดอกโรเยอร์แต่พุ่งขึ้นและออกจากอักขระเหล่านั้นนั่นเอง เด็กหนุม่มอ่านภาษาลาตินด้วยสำเนียงแปลงแปงชอบกลนขอโทษเธอรโรเยอร์ข้าพเจ้ากล่าวขึ้นการอ่านภาษาลาตินของเธอใช่ไม่ได้เลยก็คุณครูของผมสอนมาอย่างนี้นี่ครับโรเยอร์หัวเราะถูกละโรเยอร์ฉันเองตอนแรกก็อ่านแบบนี้เหมือนกันนี่แหละข้าวโลกมนุษย์ทำอะไรโดยสับเพ่าเช่นนี้เอง ดูเหมือนจะมีสุภาษิตว่าถ้าเลือกได้จงเลือกสิ่งที่น่าเกลียดเข้าไว้ก่อนเป็นดีแม้ท่านลรากอ็ออกจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเสียแล้วรูดคานก็ไม่เชิงดอกเธอนิโรยอร์ดูข้อความท่อนหลังที่แปลไว้แล้วเธอจะเห็นว่าเป็นการแปลอย่างได้ใจความดีกว่าที่เธอเคยเห็นมามากทีเดียวเธอเห็นไหมขั้นแรก ก่อนที่จะมีสันติสุขเราจะต้องมีความปรารถนาดีด้วยความจริงใจเสียก่อนโลกมนุษย์หาสันติสุขไม่ได้ก็เพราะเขาไม่มีความปรารถนาดียังจริงใจนั่นเองตึกที่เราสมมติเรียกกันว่าโบสถ์หลังนี้เกิดขึ้นโดยผู้ที่อยู่แถวนี้มีความประสงค์ที่จะให้ครูผู้สอนธรรมซึ่งลงมาจากภูมิสูงเป็นครั้งคราว ได้มาใช้เป็นสถานที่สําหรับให้โอวาทและสั่งสอนพวกเราที่นี่เก้าอี้ตัวกลางที่เธอเห็นว่ามีลวดลายแปลกกว่าตัวอื่นเล็กน้อยนั้นทําไว้สําหรับท่านหัวหน้าผู้มาจากภูมิสูงได้นั่งอบรมสั่งสอนและให้โอวาทส่วนที่อยู่รอบๆลงมาก็สําหรับผู้ที่ติดตามมาด้วยกันกับท่านเธอลองมองดูรอบตัวอีกทีสิและบอกฉันว่า เธอเห็นอะไรบ้างหรืออันที่จริงก็คือไม่เห็นอะไรบ้างที่ควรจะมีโรเยอร์มองดูรอบๆตัวไม่เห็นมีคําจาลึกบนตําแหน่งเลยครับแล้วก็ไม่มีรูปภาพที่เกี่ยวกับศาสนาไม่มีแผ่นป้าเขียนเพลงสวดไม่มีเทียนบูชาพระและไม่มีเครื่องประดับประดาอีกหลายต่อหลายอย่างผมดูดูไป ตึกหลังนี้เหมือนโบสถ์ก็แต่ภายนอกเท่านั้นเองแต่ข้างในดูไม่มีอะไรเหมือนโบสถ์สักอย่างนอกจากมีเก้าอี้นั่งสบายมากไม่ใช่เป็นเก้าอี้ไม้แข็งๆเหมือนในโลกมนุษย์เลยหน้าต่างด้านข้างทั้งสองด้านบุ ด, ด้วยกระจกสีต่างๆเมื่อต้องแสงสว่างภายนอกก็สาดแสงเป็นสีเหลือบรุ้งอยู่ภายในทำให้บรรยากาศภายในเป็นที่น่ารื่นรมอย่างยิ่ง อักษรภาษาลาตินบนกำแพงนั้นบุคคลผู้ร่วมใจกันสร้างสถานที่นี้ได้ขอให้จา่าเลกไว้ทั้งให้เป็นเครื่องรําลึกถึงสงครามซึ่งเป็นมหาภัยที่ร้ายแรงที่สุดของมนุษย์บุคคลเหล่านี้ก็เช่นเดียวกับพวกเราได้เคยผ่านพบภัยสงครามอันร้ายแรงมาแล้วและรู้สึกสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่ง บุคคลเหล่านี้จึงขออุทิตให้อาคระดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจริงที่น่าสยดสยองนั้นและได้ขอให้แสงที่พุ่งออกจากอาคระนั้นจงอย่าได้มีวันเลือนลบหายไปเรารู้ดีว่าหากจะมีผลเพียงเหมือนหยดน้ำเล็กๆหยดหนึ่งในมหาสมุทรก็ยังดีเธอเห็นไหมโรเยอร์ เราพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อช่วยให้เกิดความดีเสมอถึงแม้ว่าจะดูเป็นของเล็กน้อยเพียงใดก็ตามบางครั้งเราก็ทำสำเร็จและบางครั้งก็ไม่สำเร็จแต่เราก็ไม่ละความพยายามโดยเฉพาะเรื่องสงครามนี้เป็นเรื่องใหญ่มากและไม่ใช่เรื่องที่น่าเพลิดเพลินเลยหวังว่าที่ฉันพูดมานี้ คงไม่ทำให้เธอเกิดความหดหูใจจนเกินไปดอกนะไม่หรอกครับท่านผมก็ต้องการรู้อะไรหลายอย่างเหมือนกันถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบิกบานใจนักก็ตามทางมุมด้านที่สมมติว่าเป็นทิศตะวันตกของโบทนี้มีออแกนอันใหญ่อยู่อันหนึ่งรูปลักษณะเป็นออร์แกนสมัยเก่า เขาไปเจ้าชี้ให้โรยอร์ดูแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าออแกนอันนี้เสียงน่าฟังนะโรยอร์ใครอยากจะเล่นก็เล่นได้เลยไปดูกันใกล้ๆเธอเพื่อบางทีรูธอาจจะเล่นเพลงให้เธอฟังสักเพลงหนึ่งที่นี่ไม่มีไฟฟ้านี่ครับโรยอร์กล่าวขึ้นถ้าคุณรูธจะเล่นผมจะเป่าลมใส่ท่อให้เองไม่ต้องรอกโรยอร์ขอบใจ ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าก็จริงแต่เรามีสิ่งอื่นที่ดีกว่าไฟฟ้ามากว่าแล้วเธอก็ชี้ไปที่หีบลมซึ่งวางอยู่ข้างๆออร์แกนนั้นนั่นเองนั่นแหละโรเยอร์พอเราให้เครื่องสูบลมนั้นเดินไปได้เราก็ดีดออร์แกนได้แล้วทำอย่างไรเครื่องจึงจะเดินไปได้ล่ะครับก็ความคิดนั่สิโรเยอร์รู้ตอบถ้าเราอยากให้เครื่องเดิน เราก็คิดให้เครื่องเดินเท่านั้นเองเธอก็พอจะเข้าใจถึงเรื่องอำนาจของความคิดดีแล้วไม่ใช่หรือรูทเข้านั่งประจำที่ออกแกนและเริ่มเล่นเพลงเบาๆที่มีท่วงทํานองสนุกสนานร่าเริงหนึ่งเพลงเมื่อจบเธอก็ลุกขึ้นคว้าแขนโรเยอร์ไว้แล้วกล่าวว่าไปกันเถอะโรเยอร์ไปข้างนอกกันสักประเดี๋ยวแล้วเธอจะได้เห็นของแปลกประหลาดอะไรอย่างหนึ่ง โรยร์ตามเราออกมาข้างนอกและเมื่อเห็นขพเจ้าและรูทแงนหน้าขึ้นมองเบื้องบนหลังคาโบส์ก็แงนมองตามบ้างและในทันใดก็ร้องอุทานด้วยความแปลกใจเมื่อได้เห็นลำแสงเป็นรูปทรงกลมใหญ่ลอยหมุนคว้างขึ้นไปจากหลังคาโบสลํลำแสงนี้มีสีสันวันนาต่างๆสวยงามมากแต่ละสีก็เกี่ยวกระวัิกันไปมาอย่างน่าดู เป็นภาพที่มาสัจจรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นโรเยอร์ออกไปดูห่างๆกว่านี้อีกหน่อยจึงจะเห็นดีข้าพเจ้าแนะนาดูที่นี่เราอยู่ข้างล่างตรงเกินไปมองเห็นอะไรไม่ค่อยถนัดนักเราจึงถอยห่างออกไปจากที่นั่นราวสิบเส้นและก็ได้เห็นภาพค้องลำแสงและสีอันเกิดจากบทเพลงของรูทได้อย่างชัดเจน โรเยอร์รู้สึกตื่นเต้นจนพูดไม่ถูกเมื่อได้เห็นภาพที่ไม่เคยคิดฝันมาแต่ก่อนพอดูดูไปก็คล้ายๆกับว่าร่ำแสงนั้นจะเป็นวัตถุโปร่งแสงชนิดหนึ่งซึ่งสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้โดยไม่มีอะไรพรยุงไว้ข้างล่างเลยเสียงเพลงทุกชนิดจะทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้เสมอรูทอธิบาย ไม่ว่าเราจะเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดก็เป็นแต่ว่าอาจจะได้รับผลแตกต่างกันบ้างก็ถ้าฉั้นเล่นเพลงบทเดียวกันนี้โดยดีดเปียโนโลำแสงที่เกิดขึ้นจะไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้แต่เพลงบทนี้เขาแต่งสำหรับเล่นกับออแกนโดยเฉพาะฉะนั้นจึงแลดูสวยงามมากคุณรูทครับโรเยอร์กล่าวขึ้นด้วยน้าเสียงที่ยังไม่หายตื่นเต้นดี เห็นครั้งแรกผมรู้สึกตกใจทีเดียวครับคือว่าแปลกใจมากจนพูดไม่ออกนั่นแหละครับถูกแล้วเธอคงแปลกใจอย่างยิ่งเสียมากกว่าข้าพเจ้าตอบไม่ว่าใครก็เหมือนกันทั้งสิ้นโรเยอร์ทั้งทั้งที่รูธและฉันเคยเห็นมาแล้วตั้งนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังอวดตื่นเต้นไม่ได้อยู่ดีและอ่านที่จริงฉันก็คิดว่า ไม่มีใครที่จะอดรู้สึกเช่นนี้ได้สักคนเดียวเด็กหนุม่มมองดูรูธอย่างนิยมชมชอบในความสามารถของเธอเป็นอย่างยิ่งที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์อนาพิศวงเช่นนี้ขึ้นมาได้รูธรู้สึกขันในใจเพราะเธอเข้าใจความรู้สึกของโรเยอร์ดีและได้บวกมือพร้อมกับปฏิเสธทันทีนี่โรเยอร์ ฉันไม่ได้ทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์หรือเก่งกาจอะไรดอกนะใครที่เล่นออแกนเป็นก็สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกันนี้ได้ทั้งสิน้นถ้าเธอจะให้เกียรติฉันจริงๆแล้วก็ต้องให้เกียรติท่านผู้แต่งเพลงนี้จึงจะถูกกว่าไหนคุณรู้ว่ามีผู้แต่งให้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า ที่นี่เราก็มีนักแต่งเพลงชั้นเยี่ยมเหมือนกันกับในโลกม น, นุษย์นะสิครับก็เป็นเช่นนั้นแหละโรเยอร์เข้าไปเจ้าตอบถ้าเธอไม่ให้ท่านนักดนตรีเหล่านี้มาที่นี่แล้วเธอจะให้ท่านไปที่ไหนเล่าจริงสิครับผมเองก็โง่ไปถนัดนักแต่งเพลงในโลกก็มักจะอาพับเช่นนี้เสมอโดยมากก็ต้องอดๆอดยากๆตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์ ตอเมื่อกายตายไปแล้วพวกมนุษย์จะจะนึกถึงได้บ้างทีนี้ก็สร้างอนุสวรีให้ใหญ่โตและงานของเขาก็เป็นของมีค่าขึ้นมาทันทีเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเขาก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องอดอยากอีกต่อไปปรากฏการของแสงเช่นนี้จะคงอยู่ได้นานสักเท่าใดครับโรเยอร์ถาม ตามปกติจะอยู่ได้เพียงชู่ครู่เดียวเท่านั้นเองรู้ตอบแต่สำหรับคราวนี้ท่านมองสินเยือกับฉันได้ใช้พลังจิตบังคับให้มันคงอยู่ได้นานกว่าปกติเล็กน้อยไว้ให้เธอได้เห็นนานๆในกรณีที่ว่าดนตรีทั้งวงเล่นเพลงยากๆติดต่อกันไปเรื่อยๆหลายท่อนปรากฏการของแสงดังกล่าวนี้จะอยู่เพียงครู่เดียว เพราะเสียงดนตรีท่อนหลังจะปล่อยแสงออกมาเรื่อยๆฉะนั้นถ้าอยู่นานเกินไปลำแสงสีต่างๆเหล่านี้จะปนเปกันยุ่งไปหมดซึ่งจะทำให้หมดความสวยงามไปด้วยดังนั้นในกรณีเช่นนี้มันจะคงปรากฏอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็จะจางหายไป